ตอนนี้ไปเพิ่งพากันตั้งใจการตั้งใจนี่แหละเป็นความดีเรามาฝึกหัดตั้งใจกันเข้ามาอยู่ในวัดวาอารามนี่ไม่ใช่มาทำความอ่อนแอท่อแท้ใจ ในการทำความดีเราต้องทำความยินดีต่อบุญกุศลความดีที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยอย่าไปทำใจให้ห่อเหี่ยวอย่าไปทำใจให้อึดอัดต้องทำใจให้ปลอดโปร่งให้คำนวณ ดูตัวของตัวเองว่าตนนันไม่ได้ทําชั่วอะไรทำแต่ความดีเมื่อเพ่งพิจารณาดูเห็นว่าตนไม่ได้ทําชั่วอะไรทำแต่ความดีก็จะได้ความภาคภูมิใจแต่ถ้าผู้ใดมีเจตนาไม่ดีมันก็จะต้องเกิดความเสียใจ อึดอัดใจเป็นเหตุให้ประพฤติปฏิบัติทมไปไม่สะดวกเพราะฉะนั้นก่อนที่บุคคลจะฝึกขนอบรมจิตนี้ให้ตั้งมั่นให้สงบลงได้ท่านจึงแนะนำให้ สมทานมั่นในสินซะก่อนเมื่อสมทานมั่นในสินแล้วแสดงว่าไม่มีบาปอยู่ในใจตั้งเกตนาวิรัติละเว้นจากบาปจากโทษนั้นๆเสียแล้วจิตใจก็ยอมเบิกบานผ่องใส ไม่ค่อยมีความเดือดเนื้อร้อนใจธรรมธรรมดาคนผู้มีสิทนะิเน่ยเพราะเป็นมันมีการสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมตาหูจมูกลิน้นกายใจอยู่เสมอไปสำรวมใจก็ไม่ให้ความยินดียินร้ายครอบงามใจ นั่นแหละผู้รักษาศีลแปดอย่างนี้นะในศีลแปดข้อนั้นนะมันก็ร้วนตั้งแต่เป็นบทบัญญัติที่ห้ามไม่ให้คึกขนองไม่ให้ขนองกายไม่ให้ขนองวาจาไม่ให้ขนองใจการฆ่าสัตว์ โมนี่มันก็เป็นเรื่องขนองกายทั้งนั้นแหละกายอยู่ไม่เป็นสุขบางคนนะ่ะสัตว์นั่นไม่ใช่เป็นอาหารแต่มันเห็นเขาแล้วมันไสขึ้นมาเอาไปตีมันเล่นไปเหยียบมันไปอย่างนั้นก็มีบางคนนะ่ะเรียกว่า ตีมันให้มันตายสนุกสนุกไปอย่างนั้นเน่ยนั่นเรียกว่าคนขนองกายกายอยู่ไม่เป็นสุขหรือบางคนเนี่ยเมื่อสนิทสนุกกับใครเขาแล้วก็เอาลวชอบไปตบเพื่อนตีเพื่อนนิดนิดหน่อยหน่อยไปอยู่งั้นแหละไอ้คนนิดใสมืออยู่ไม่เป็นสุข ขนองกายมันเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นคนผู้มีศีลสำรวมแล้วเขาจะไม่ทำอย่างนั้นไม่เพลิดเพลินไม่ล่าเริงเกินขอบเขตล่าเริงก็ล่าเริงอยู่ในความดีนู้นล่าเริงอยู่ในความสำรวมไม่ใช่ล่าเริงแล้วเราไปเที่ยวตกคนโน้นตีคนนี่ อด่าคนนู้นว่าคนนี้เพื่อความคึกขนองวาจาไปอย่างนั้นเนี่ยท่านได้พูดอย่างนั้นแล้วรู้สึกสบายใจอย่างนี้ก็มีนะบางคนนะออืนั่นเนี่ยให้เพิ่งเข้าใจนั่นไม่ใช่ไม่ใช่ศีลสังวรออืมันไม่มีการสังวรสำรวมแบบนั้นน่ะ คนมีศินต้องสำรวมกายถ้าหากว่าตนพังเผออะไรไปกระทบเพื่อนนิดหน่อยนี่ก็ต้องขอโทษทางกายก็ดีมันต้องเป็นอย่างนั้นคนสำรวมในศินคนไม่สำรวมในศินแล้วไปทบไปตีเพื่อนถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องสนุกไปไม่ใช่ นั่นเรียกว่าคนไม่สำรวมในสินนู่นมันไปคิดเห็นตแต่ว่าไปฆ่าให้ตายนู่นจึงเชื่อว่าเป็นผู้ไม่มีสินนั่นนั่นมันหยาบเกินไปอันนั้นมองไม่เห็นเลยว่าสินส่วนละเอียดเกี่ยวกับจรญยามา ร, รยาทจันยามา ร, รยาทนี่มันก็เป็นสินประเภทละเอียดนี้ต้องให้เข้าใจ เรารักษาสินนี่ก็เราพยายามให้มันเป็นอธิสินขอให้เข้าใจให้เป็นสินยิ่งคำว่าสินยิ่งนี่ต้องระวังทางกายอยู่ตลอดเวลาไม่ให้มันไปนกระทบกระทั่งกับผู้ใดกับสัตว์สิ่งเดรัจฉานก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าเห็นมนแล้วเราทำตะแกล้งไม่เห็นแล้วไปเหยียบมันตาย เราไม่ได้เจตะนาเพราะว่าออย่างนั้นมันไม่พ้นนะไม่พ้นปานาติบาตเมื่อตามองเห็นแล้วต้องเว้นนะต้องสำรวมตัวเล็กๆ ก, ก็ตามซึ่งเรามองเห็นด้วยตาจะต้องเว้นต้องให้โอกาสมันมันต้องเป็นอย่างนั้นแม้วาจาก็เหมือนกันต้องระมัดระวังอยู่ตลอดเวลา พูดอะไรกับใครที่ไหนเมื่อไรจะ ต, ต้องมีสติสมวัชนิยะอย่าพูดให้เลยขอบเขตไปพูดโดยไม่มีเหตุไม่มีผลพูดเพื่อความคึกขนองพูดเพื่อยกโทษคนอื่นฉันไปคุยกับใครแล้วก็มากจะเอาเรื่องคนอื่นมาแฉออกกันไป เมื่อทนไม่พอใจกับใครแล้วก็หยิบยกเอาเรื่องคนนั้นมาแฉออกให้คนอื่นฟังว่าคนนั้นไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้อ่พอเรื่องนี้ไปถึงคนผู้นั้นเข้าไปแล้วก็เอาแล้วบนนี้ได้เรื่องแล้วหาทางทะเลาะวิวาดกันไปแล้วนี่แหละความไม่สำรวมวาจาเนี่ยมันเป็นเหตุให้ยุ่งฉะนั้นพึ่งสังวรกันไว้บางคนเนี่ย ที่ไปแฉเรื่องของผู้อื่นในทางไม่ดีอย่างนะั้นนี่เข้าใจว่าไม่ผิดศีลอะไรนะ่แท้ที่จริงเน่ยผิดศีลนี่ผิดศีลข้อที่ซ่อเสียดนั่นแหละไปส่อเสียดไปยกโทษคนอื่นเพื่อให้คนทั้งหลายเกลียดชังคนนั้นเข้าไปเจตนาที่ไปพูดแบบนั้นนะ อันมูนี้นะมันต้องรู้คนรักษาศินคนสั่รวมในศินอย่าไปชอบเอาเรื่องของคนอื่นมาวิจารณ์อย่างโน้นอย่างนี้เรื่องของใครก็ของมันใครดีใครชั่วก็มันต่างคนต่างก็บรรลุนิติภาวะกันหมดแล้วรับผิดชอบตัวเองแล้วดังนั้นจึงไม่จําเป็นนะ ต้องไปให้คนอื่นมามองดูตัวเองอยู่เลยมาวินิจฉัยเรื่องตัวเองแล้วตัวเองก็ไม่จําเป็นต้องไปวินิจฉัยเรื่องผู้อื่นในทางดีทางชั่วอะไรใครทําดีก็ได้ดีใครทําชั่วก็ได้ชั่วไปทุกคนมันต้องคิดพึ่งตัวเอง ผุคคนต้องคิดแก้ไขตัวเองอย่าไปให้แต่ผู้อื่นมาช่วยแก้ไขไม่ถูกต้องอุคคนที่จะแก้ไขตัวเองได้ก็เพราะมีสติสมบัติเสญะสำรวมในสินมันกลว ด, ดูตนเสมอตนทำอะไรตนพูดอะไระอยู่ขณะหนะไหนเวลาใด ก็รู้ตัวว่าตนทำอย่างนั้นพูดอย่างนั้นไม่ผิดสินไม่ผิดธรร ม, มนี่ถ้าตำรวจตัวเองอยู่เนี้ยมันก็ไม่ค่อยผิดค่อยพลาดการทำการพูดเพราะเราถือเอาความบกพฤิตินั้นต้องให้ตรงตามสิกขาบทที่เราสมทานมาแล้วเนี่ยสิกขาบทแปดข้อนั้นนะ ข้อที่หนึ่งก็พูดมาแล้วข้อที่สองก็ห้ามไมาให้ไปถือเอาสิ่งของผู้นั้เป็นของตนโดยอาการแห่งขโมยถือเอาโดยอาการแห่งขโมยก็ไม่บอกเจ้าของเขานั่นแหละรู้อยู่แล้วว่าของนัน้นมีเจ้าของอยู่กนะ็ยิบฉวยเอาไปเลยไม่ให้เขาได้รู้ได้เห็นอย่างนี้นะนั่นแหละเรียกว่าพวกขโมยเขาก็โมยของคน เขาทำแบบนั้ น, นผู้ใดทำอย่างนั้นก็แสดงว่าเป็นขโมยอีกคนหนึ่งอีกแล้วเป็นอย่างนั้นตอ น, นั้นต้องสังขวนระวังสิ่งของอันใดทิ้งอยู่ที่ไหนเห็นเข้าแล้วเมื่อตนต้องการก็ต้องถามหาเจ้าของใครเป็นเจ้าของสิ่งของอันนี้รู้แล้วก็ไปติดตอ่อพอขอก็ขอพอซื้อก็ซื้อ เขาให้ก็เอาเขาไม่ให้ก็แล้วไปไออย่างนี้มันก็เรียกว่าเป็นคนมีศีลสังวรในข้อที่สองข้อที่สามนั้นก็เป็นผู้สำรวมในเพศโกงกันข้ามพูดกันอย่างง่ายงายเช่นเป็นผู้หญิงก็สำรวมในผู้ชายไม่แตะต้องกันแลวกัน ไม่รับของต่อมือกันและกันถ้าผู้ชายก็สำรวมในหญิงเช่นเดียวกันนั่นแหละไม่แตะต้องร่างกายของกันและกันไม่รับของต่อมือกันแต่เท่าที่เห็นมาวางแห่งหรือมักแะหลายแห่งซ้าเป็นไรพวกรักษาสินแปดพวกนี้ก็ไปรับของต่อมือกันอยู่เนี่ยระหว่างเพศตรงกันข้าม เข้าใจว่าไม่ผิดศีลความเป็นผู้ที่ไม่รู้บทบรญญัติละเอียดเข้าไปมันก็ทำ ผ, ผิดพลาดพลาดไปอย่างนั้นเนี่ยขึ้นชื่อว่าอพรร ม, มจริยาเล้วนั้นมันเป็นศีลข้อเดียวกันเลยนับตั้งแต่ผู้นุ่งขาวห่วมเขา <c oughs> สมทานสินแปดขึ้นมาจนถึงสินสิบสินสองร้อยี่สิบเจ็ดินข้ออพรหมจรียานิอันเดียวกันเลยขอให้เข้าใจเว้นจากการประพฤติอัศธรรมกรรมอันไม่สมควรแก่สมณนะมผู้มุ่งสเสวงหาความสงบระงับ เบ่งกั น, นเพราะนั้นรายละเอียดจริงว่าไปถึงขนาดส่งของให้แกกันแล้วกันต้องวางไว้มเมื่อวางแล้วอีกฝ่ายหนึ่งจริงค่อยหยิบเอาอก็ถ้าหากว่าถวายของแกพระภิกษุสมามเณรพระภิกษุสมามเณรก็ต้องวางผ้าลงไปมือหนึ่งจับมุมหนึ่ง แล้วก็วางของนั้นใส่ผ้านั้นเมื่อผู้ให้วางมือแล้วก็จึงค่อยหยิบเอาของนั้นไปนี่การปฏิบัติในสีนข้อนี้นะก็ให้พึ่งเข้าใจแล้วข้อที่สี่นั้นก็สำรวมระวังคำพูดคำจาอย่าให้มันเป็นเท็จเหลวไหลไม่เคลื่อนคาดไปจากความเป็นจริง เราต้องพยายามพูดแต่เรื่องจริงเรื่องมีเหตุมีผลเพียงพอถ้าเรื่องใดไม่มีเหตุไม่มีผลเพียงพอแล้วอย่าไปเอามาพูดให้คนฟังเดี๋ยวเขาเข้าใจผิดไปเห็นผิดไปตามอย่างนั้นบางคนไม่ได้เจตนาจะโกหกหรอกแต่ว่า เรื่องนั้นน่ะไม่มีเหตุไม่มีผลเพียงพอแต่ถ้าบางคนมันคันนองปากอยากพูดหลายก็เลยเอามาพูดไปอย่างนั้นแหละเมื่อเพื่อนซักถ า, ถามถึงเหตุผลถึงความจริงเข้าไปอ้าหน่อยหนึ่งก็ไม่รู้แต่ได้ยินเขาพูดกันมาอย่างนี้เราว่านี่มันก็เสียเลี่ยมไปแล้วนะ ที่ประกาศตนว่าเป็นผู้มีสินสังวรอย่างนี้ไม่ถูกต้องเลยแบบนั้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่สำรวมในสินโดยละเอียดถ้าเรื่องใดที่ว่าไม่แน่ใจไม่ต้องเอามาพูดเลยท่าแน่ใจว่าเรื่องนี้มีเหตุผลอย่างนั้นจริงตนเห็นมาอย่างนั้นแล้วเหตุผลก็เป็นอย่างนั้นจริงอย่างนี้เมื่อพูดออกไปแล้วใครสักถามเราก็ชี้แจงให้ฟังได้ ยืนยันได้ในอย่างนี้นะการสํารวมในคำพูดคำจามันต้องให้เข้าใจกันสำหรับผู้รักษาศีลศีลข้อที่ห้านั่นอันผู้รักษาศีลแปดหรือศีลสิบเป็นต้นขึ้นไปมันก็มันก็เว้นแล้วเว้นมาแต่ศีลห้านั่นอมันก็อันนี้พูดเผื่อ คนที่ยังไม่ได้รักษาสินแปดคนไม่หลักเสียไม่รักษาสินแปดก็รักษาสินห้านั่นก็ยังนับว่าดีเพราะว่าเป็นธรรมของมนุษย์อันสินห้านี่นะอันบุคคลจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่ท่านว่าต้องมีสินห้านี่ถ้าคนไม่มีสินห้าแล้วไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ อที่เกิดมาแล้วมีอวัยวะร่างกายไม่สมประกอบนั้นเนื่องมาแต่คนผู้เช่นนั้นอ่ะไม่ทําบาปก ร, รมมามต่ก่อนนู่นไปเบียดเบียนสัตว์ต่างๆให้ล้มให้ตายให้เสียองค์ฆอะไรต่ออะไรไปอย่างเงี้ยกรรมนั้นมันตามไปนําไปตกนรกพ้นจากนารกมาแล้วเศษบาปนั้นยังไม่สิ้น มันก็มาเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานโดยลาดับมาหมดจากสัตว์เดรัจฉานแล้วบาป ก, กรรมอ น, นั้นก็ยังไม่หมดแต่มันพ้นจากเขตของสัตว์เดรัจฉานแล้วกจรจึงมาเกิดเป็นคนเกิดเป็นคนมาร่างกายก็ไม่ไม่สมบูรณ์บริบูรณ์บกพ้องเพราะว่าบาป ก, กรรมนั้นมันตามมาตกแต่งให้ นี่บุคคลผู้มีบาปติดตามมามันก็มีร่างกายไม่สมบูรณ์อย่างนั้นแหละสําหรับบุคคลที่ที่มีร่างกายสมบูรณ์นี่ก็เนื่องมาแต่ได้บําเพ็ญบุญกุศลมาแต่ชาติก่อนเช่นได้ให้ทานข้าวน้ําโภชนาอาหารมาได้รักษาศีลห้าไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเอืม ไม่ดื่มเหล้าเมาสุราเหตุนั่นเกิดมาจึงมีสติ <c oughs> จึงค่อยมีสติสมบัติชนะดีไม่เป็นใบเป็นบ้าไม่เสียจริตผิดมนุษย์ธรรมดาถ้าคนใดดื่มเหล้าเมาสุรามาเาติก่อนแล้วกรรมนั่นตามมาสนองเกิดมาก็เป็นใบเป็นบ้าเสียจริต ทำความดีอะไรก็ไม่ได้เป็นงั้นเพราะฉะนั้นก็ให้เพิ่งเข้าใจว่าการที่เราทุกคนได้อัตภาพร่างกายครบท้วนบริบูรณ์มานี่นะอันนี้สงสินแท้ๆนะอันนี้สงสินเพราะฉะนั้นผู้ใดมารู้อย่างนี้แล้วกระจึงต้องมั่นในสินนั้นจริงจังอนะ มันในสินห้าก็ทำให้ไปเกิดเป็นคนบ้างเป็นเทวดาบ้างถ้ารักษาให้ละเอียดละ อ, อเข้าไปมันก็ไปเป็นเทวดานี่แหละถ้ารักษาสินแปดหรือสินอุโบสถอันนี้ก็ไปเป็นเทวดาเหมือนกันแต่เทวดาชั้นสูงขึ้นไปนู่นถ้าภาวนาเจริญพรมีหารให้แก่กล้าเข้าไป ก็ไปเกิดเป็นพรหมเข้าไปเป็นอย่างนั้นเรื่องการปฏิบัติธรรมนี่นะบําเพ็ญบุญกุศลนี่มันก็สูงขึ้นไปอย่างเนี้ยสุดแล้วแต่ความสามารถของบุคคลนะผู้มีความสามารถมากมันก็ทําบุญกุศลได้มากได้สูงขึ้นไปโดยลําดับมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะทีนี้ศินข้อที่ หกนั่นพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติธ้ามไม่ให้บริโภคอาหารในเวลาวิการสำหรับผู้รักษาสินแปด ส, 10, ส 7, ือสินสิบสินสองรอยีิบเจ็ดเหมือนกันเลยสินข้อนี้น่ะนั่นนะผู้รับประทานอาหารตอนเช้า แล้วตอนเย็นมาไม่รับนี่มันทำให้อาหารไม่ทับธาตุร่างกายนั้นมันเบ า, เ, าเหมาะสมกับการบำเพ็ญสมถะวิปัฒนาเพราะว่าเมื่ออาหารไม่ทับธาตุแล้วก็ไม่ค่อยง่วงเหงาหานอนอย่างนั้นมันจึงเหมาะกับการนั่งสมาธิภาวนาแล้ว เมื่อใจตั้งมั่นลงไปแล้วปัญญามันก็คล่องแคล่วดีบันนี้นะนี่ความมุ่งหมายของการรักษาสินอุโบสถก็ดีสินแปก็ดีสินสิบสินสองรอยีิบเจ็ดก็ดีก็มุ่งอย่างนี้แหละโดยเฉพาะสินข้อวิการละโพนี่นะแล้วก็อีกอย่างหนึง่ง มันก็เหมือนอย่างต้นไม้นี่แหละถ้าหากว่าเอาปุ๋ยใส่มากๆเข้าไปมันก็งามมากแตกกิ่งแตกก้านผลิดอกออกผลได้มากมายร่างกายของคนเรานี่ถ้าบำรุงอาหารอันดีๆมากๆเข้าไปแล้วมันก็อ้วนท้วนขึ้นมามันก็มีกำลังวังชา ทำให้เกิดกิเลสตัณหาขึ้นในใจอย่างมากมายเหมือ น, นอย่างผู้ครองเรือนทั้งหลายนั่นเนี่ยกินไม่เลือกเลยฮะบำรุงมันลงไปเอ้าเพลิดเพลินกันไปมัวเมากันไปไม่มีเวลาสร้างมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเหมือนอย่างต้นไม้อย่างที่ว่าไม้ฟังนั่นแหละ เมื่อบารุงมันด้วยปุ๋ยด้วยน้ําด้วยอะไรมากมายเข้าไปมันก็พริดอกออกผลปลอดเต็มไปเลยนี่แหละผู้บารุงร่างกายชีวิตอันนี้หรูหราพุ่มเฟื่อยเข้าไปเออ ม, มันก็เป็นเหตุให้มีลูกมีเมียมีเมี ย, มมยแล้วก็มีลูกกระจายออกไปทั่วบ้านทั่วเมืองกัน มก็ไปนก็เป็นภาระหนักวันนี้นะต้องหาเลี้ยงกันบางครอบครัวก็เลยหาเลี้ยงกันไม่ไหวเมื่อยไวแล้วก็ปล่อยให้ลูกไปขอทานเขากินเองหน้าทุเรศทุลังลูกไม่มีพ่อไม่มีแม่รัฐบาลก็เก็บเอาไปเลี้ยงไวอยู่อย่างนั้นนะนี่แหละถ้าพูดถึงบุคคล บำรุงร่างกายด้วยอาหารไม่จํากัดไปล่ำเวลาถ้าพูดถึงโทษของมันนะมีมากมายเหมือนกันเนี่ยพระพุทธเจ้าหรือนักปราชญ์ทั้งหลายในโลกเนี่ยท่านมองเห็นอย่างนั้นเนี่ยก็จึงได้ประพฤติพรหมจรรย์เว้นจากอาหารในเวลาวิการเอาอาหารนี่เลี้ยงร่างกายนี้พอพอทังอยู่ไปได้วันหนึ่งกับคืนหนึ่ง เท่านั้นพอให้มีกำลังพอได้ประกอบคุณกุศลทำความเพียรทางใจ ส, สํารวมศีสลสํารวมอินทรีย์ไปชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งเช่นนี้มันก็ทำให้จิตใจนั้นปลอดโปรง่งเบิกบานพิจารณาธรรมะอะไรก็รู้ก็เข้าใจได้แจม่มแจ้ง และ ว, วันนี้บาปอากุศลต่างๆมันก็ไม่ค่อยครอบงำจิตใจเมื่อใจของบุคคลนั้นนะเบิกบานผ่องใสอยู่โดยกุศลคุณงามความดีที่เราได้ประพฤติมาเช่นนี้แล้วก็ทำให้เกิดปัญญาขึ้นนี่แหละอนิสงส์แห่งการที่บุคคลมาเว้นจากอาหารในเวลาวิการ ทำให้สมองปลอดโปร่งมีสติปัญญาดีทำให้กิเลสเบาบางลงได้ส่วนหนึ่งบริสินข้อต่อไปนั้นว่าท่านห้ามไม่ให้ประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมเครื่องยาเครื่องทาเครื่องย้อมเครื่องผัดผิววิ จ, จิตงามต่างๆ ก็ดีและห้ามนั่งนอนเหนือที่นั่งที่นอนอันสูงอันใหญ่ภายในยัดโดยนุ่นและสำลีและวิจิตงามต่างๆหมู่นี้บุคคลใดมาเว้นได้<ม>เช่นนี้มันก็ทำให้จิตใจสบายไม่เพลิดเพลินไป ในการมคุณเป็นธรรมดาเนะี่ยบุคคลท่าได้เป็นนอนฟูกเบา ก, บอกมอนอ่น อ, อนนุ่มนิ่มเตียงนอนก็ดีที่นอนหมอนมุ้งอะไรก็ประดับปั้นดาให้สวยงามมีน้ำอบน้ำหอมพรมเข้าไปอย่างนี้แล้วก็เกิดราคะตัณหาขึ้น เน่มันไม่เหมาะสมกับบคุคคลผู้รักษาศีลผู้ประพฤติพรหมจรรย์มันเหมาะแต่บคุคคลผู้บริโภคกามคุณมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะออผู้เห็นโทษแห่งกามคุณมาได้สมทานศีลแปดอันนี้ไปแล้วมันก็ต้องเว้นจากความหรูหราในการหลับการนอนอย่างนั้นบัดนี้มันก็ทําให้กิเลสราคะตัณหาเบาบางลง ความหมายของสินข้อนี้นะมันเป็นอย่างนั้นการพอด ร, รำขับร้องดีสีตีเป่าอะไรมันเลย้วนจะเป็นเรื่องยั่วยวนให้กิเลสมันคึกขนอนคึกขนอนขึ้นท้งนั้นแหละวันนี้สำหรับที่นอนที่นั่งอันสูงอันใหญ่ภายใน ย, ยัดโดยนุนละสาลี อันวิจิตงามต่างๆว่นี่ก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ห้ามในสินข้อที่ข้อที่แปดในสินข้อที่แปดนั่นนะ อ, องค์จึงได้ห้ามไว้ดังนั้นผู้รักษาสินแปดเราก็ได้ปฏิบัติตามนั้นไม่เห็นแก่ความ สุขในการหลับการนอนเรานอนเพื่อพักผ่อนร่างกายชั่วคราวไม่ใช่ว่าหวังจะเอาความสุขกับการนอนนั้นพอนอนมาพอแรงแล้วก็มั น, นมันไม่เห็นว่ามันเป็นสุขอะไรนั่งหนาถ้าโรคภัยเบียดเบียนแล้วนอนก็ไม่หลับจะนอนผูกเบา ห, หมอนนั้นอ่อนนุ่มนิ่มถ้าเท่าใดมันก็นอนไม่หลับ หาความสุขไม่ได้เลยนี่ให้คิดดูให้ดีเพราะฉะนั้นสินแปดประการนี้นะผู้ใดรักษาได้ก็ย่อมได้อานิสง์มากทำให้ราคะโทสะโมหะมานะทิฐิอันใดน้อยเบาบางออกไปจากกิจใจโดยแท้จริงดังนั้นผู้ที่ เห็นโทษแห่งการครองเรือนเห็นว่าการครองเรือนนี่มันเป็นเรื่องยุ่งยากหลายมันลำบากมากผู้ดใดครองเรือนแล้วมันก็คงรู้กันทุกคนแหละแต่แล้วหากยังไม่รู้จักหนทางที่จะออกจากความวุ่นวายเหล่านั้นได้เหตุนั้นจึงหมกมุ่น คนทุกทรมานอยู่อย่างนั้นสำหรับผู้ที่รู้จักแนวทางหรือข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นแล้วผู้นั้นก็ผ่อนหนักเป็นเบาได้เช่นอย่างว่ามาวันแปดค่ำวันสิบห้าคำก็เข้าวัดซะสมทานศีลอุโบสถชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งเช่นนี้ แล้วก็ได้ฟังธรรมได้ภาวนาสํารวมอินชีอยู่ในวัฏวายอันเป็นที่สงบร ง, งับอย่างนี้ได้ชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งก็าได้เบาใจมากมายอะได้ปรงพาระอันหนักลงไปชั่วระยะหนึ่งนี่หละเป็นทางออกของผู้คลองเรือนแต่ว่าไม่ได้ออกได้โดยเด็ดขาดแต่เป็นทางออกได้ชั่วคราว ก็ยังดีกว่าไม่ออกเสียเลยพากันหมกมุ่นอยู่แต่ในบ้านในเรือนวันพระวันศีลอะไรก็ไม่นึกถึงเลยออย่างนี้แล้วมันก็จะเอาบุญกุศลที่ไหนล่ะต้องให้เข้าใจเมื่อกิเลสมันมีมากเท่าไรมันก็เป็นทุกข์ใจมากเท่านั้นอย่าไปโทษอย่างอื่นเลย ใจที่มันเป็นทุกข์นั้นมันเพาะไปสะสมเอากิเลสไว้มากมายนั่นเองนะมันก็จึงได้เป็นทุกข์ถ้าผู้ใดภาคเพียรพยายามละกิเลสที่ให้เบาบางออกไปเท่าใดก็ปรากฏว่าใจนี่มันสุขสบายไปเท่านั้นแหละข้อนี้ผู้ใดปฏิบัติผู้นั้นก็จะรู้เองเห็นเองนะผู้ไม่ปฏิบัตินั้นไม่รู้หรอก เพราะว่าไม่ได้บันเทากิเลสให้เบาบางลงไปมีแต่สะสมมันไปเรื่อยๆเป็นอย่างนั้นข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนาเนี่ยร้วนแต่เป็นเครื่องบันเทากิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางไปทั้งนั้นแหละไม่ใช่ว่าเราทาข้อวัดปฏิบัติในพุทธศาสนานี่มุ่งเป็นอย่างอื่นไป บางคนก็มุ่งไปเกิดในสวรรค์ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกอันนั้นเป็นผลพลอยได้ต่างหากแต่ความมุ่งจริงจังลงไปแล้วเรามุ่งที่จะทำกิเลสให้เบาบางออกไปจา ก, กจิตใจนี่ต่างหากผู้ผู้ใดปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาถ้ามุ่งอย่างนี้แล้วก็นับว่าถูกทางถูกต้อง ไม่มีผิดถ้าหากว่าไปมุ่งไปอย่างอื่นแล้วผิดทางนะไม่เป็นไปเพื่อความหนุดพ้นจากทุกได้ก็ขอให้พึ่งพากันเข้าใจก็มันจะไม่ทำกิเลสให้เบาบางได้อย่างไรเล่าอย่างบุคคลผู้ให้ทานไปอย่างนี้นะให้วัตถุสิ่งของอันเป็นประโยชน์แก่ผู้รับ ไปอย่างนี้ด้วยความเต็มใจไม่มีใครบังคับเล ย, ยเมื่อตนสละของนั่นออกไปได้ความโลภความตเนีอั น, น้มันก็เบาบางออกไปจากใจใจก็ปลอดโปร่งใจก็เบาไม่อึดอัดไม่ขัดข้องอย่างนี้แหละเราเห็นอันนี้สงได้ในปัจจุบันเลยทีเดียวการให้ทานนี่แต่มันอั น, นี้สงทางใจ สำหรับผู้ที่รู้จักประเมินผลแห่งการให้การบริจาคของจนเป็นนะก็ย่อมเห็นผลในปัจจุบันนี้เมื่อผู้ใดเห็นผลในปัจจุบันนี้แล้วการให้การบริจาคมันก็ไม่ถอยไม่ถอยเลยจะเป็นนักบวชก็ตามเป็นคารหัดก็ตามเป็นนักบวชก็ให้ทานได้เมื่อเมื่อเมื่อคนอื่นให้ทานมา เรารับมาเหลือใช้เหลือสอยแล้วก็ให้ผู้อื่นไปไม่หวงไว์อออย่างนี้นะเป็นนักบวชข้อถ้าหากว่าไปหวงไว้ไปสะสมวัตถุสิ่งของที่ได้รับมาจากทายกทายิกาแล้วอย่างนี้นี่มันก็ทําให้กิเลสหนาขึ้นกิเลสไม่ได้เบาบางลงเลยฮ นั่นแหละเพราะฉะนั้นการให้ทานนี่จึงชื่อว่าไม่ใช่มีแต่ชาวบ้านนะนักบวชก็ต้องมีการให้ทานไม่เช่นนั้นกิเลสมันก็ไม่เบาอ่ะการรักษาศีลอย่างนี้นะเราก็เห็นผลในปัจจุบันเลยผู้มีศินแล้วไปไหนอยู่ไหนก็ไม่ละแวง i g h ไม่สะดุ้งหวาดกลัวตอบศัตรูจะมาเบียดเบียนจะมาแก้แค้น เพราะตนไปทําให้เขาเป็นทุกข์เดือดร้อนมาแต่ก่อนนอนก็สะดุง้งไม่ใช่อย่างนั้นเหมือนสำหรับผู้มีศีลแล้วนะเพราะว่าไม่ได้ทําให้ใครเป็นทุกข์เดือดร้อนมาแต่ก่อนดังนั้นจะไปอยู่ในป่าในเขาที่ไหนที่ไหนก็ไม่วิตกไม่สะดุง้งหวาดกลัวต่อศัตรูมันจะมาเบียดเบียนเอา นี่อา น, นิสงส์ศีลที่เราเห็นได้ในปัจจุบัน <c oughs> และก็สัตว์ ร, ร้ายก็ไม่เบียดเบียนสัตว์ที่มีพิษมันก็ไม่เบียดเบียนคนสํารวมในศีลเป็นคนมีเมตตากรุณาอยู่ในใจดังนั้นมันจะไปอยู่ป่าเขาลํเนาภัยที่ไหนที่มีสัต ไร้ายอะไรต่ออะไรอยู่อย่างนี้สัตว์ทั้นเหานั้นมันก็ไม่เบียดเบียนนะขอะนผู้มีศีลสังวรแล้วด้วยดีผู้มีธรรมผู้มีเมตตาธรรมกรุณาธรรมอยู่ในใจแล้วทั้งเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายด้วยเบญันง น, นี้อานิสงส์แห่งการภาวนาอย่างนี้ อันตามธรรมดาจิตใจนี่มันหลงมันเมาเมาความคิดความนึกตัวเองตนเองสร้างความคิดต่างๆขึ้นมาแล้วก็มาเสียใจมาดีใจขับแค้นใจกับความคิดตัวเองบางทีก็เกิดโมโหโทโสให้ตัวเองเมื่อนึกถึงเรื่องอดีตที่ล่วงมาแล้วว่าเรื่องเช่นนั้นเราไม่ควรจะทำนะ มันก็ทำลงไป เ, เมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็เกิดโมโหโทโสขึ้นในแก่ตัวเองตีอกชกทวงตัวเองขึ้นมาบนขึ้นมาคนเดียวก็มีคนผู้หลงผู้เม า, เามันเป็นงานเรื้งวันนะเมื่อได้ภาวนาลงไปวันนี้ละอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตเสียแล้วมากำหนดรู้เท่าอยู่ในปัจจุบัน ไม่ถือมั่นกับเรื่องใดๆทั้งหมดเช่นนี้นะมันก็มีใจสงบระ ง, งับได้ไม่กระวนกรวายไม่สะดุ้งหวากลัวอะไรต่ออะไรไม่โท่มนัดน้อยเนื้อต่ำใจให้แกตัวเองอะไรเพราะว่าคนเราเมื่อทำใจให้สงบใจแล้วมันก็สบายนี่เมื่อสบายแล้วเหมันก็ไม่ไม่ได้ไปเพ่ง โทษตัวเองและเพ่งโทษคนอื่นมันไม่มีอ่ะเออเมื่อตนทําใจให้สงบสบายได้แล้วก็ถือว่าคนในโลกนี่ไม่มีใครเป็นศัตรูของตนล้วนแต่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นเลยแม้ว่าคนผูนั้นจะเคยเป็นศัตรูกับตนมาแต่ก่อนตนก็ยกโทษให้ให้อาภัยไปเลยเมื่อทําใจสงบได้แล้วมันเป็นยังั้นนะเลืองมันอ่ะ เอเด้นน่ะพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสภาษิตไว้ว่านัตถิสันติปรังสุขขังนี่สุขอื่นยิ่งไปกว่าความสงบไม่มีนั่นแหละแสดงว่าความสงบเนี่ยเป็ น, นยอดแห่งความสุขกันแล้วกันแหละดังนั้นผู้ต้องการความสุขแท้จริงเนี่ย เราจะไปหาเอาทางอื่นนะมันไม่พบดอกต้องมาฝึกใจนี่นะพยายามนั่งสมาธิภาวนาลงไปเพ่งใจนี่เข้าไปสะกดใจนี่ไว้อย่าให้มันชอบคิดสงสัยไปในอดีตอนาคตอควบคุมจิตนี่อยู่ไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นเนี่ยในขณะนั่งสมาธิกับควบคุมจิตไว้อยู่ยงั้น ทีแรกนี่มันก็สงบไปบ้างฟุ้งซ่านไปบ้างเมื่อมันสติยังไม่แก่กล้าความอดความทนอะไรมันก็ยังไม่หนักแน่นพอมันก็เป็นธรรมดาเนี่ยแต่ว่าเมื่อทาไปบ่อยๆเข้าไปไม่ท้อไม่ถอยสติมันก็แก่กล้าขึ้นขันติความอดทนมันก็หนักแน่นเข้าไป เช่นนี้แล้วมันก็ทําใจให้สงบอยู่ได้นานเลยวันนี้นะเพราะว่าเมื่อสติก็แก่กล้าความอดทนก็แก่กล้ามันก็เอาธนะกิเลสหยามหยาบหรือกิเลสอย่างกลางที่มันทํารบกวนใจให้ฟุ้งซ่านอยู่นั้ น, นลงได้อืนเป็นอย่างนั้นคนที่เคยง่วงเหงาห่าวนอนมางี่นะเอาสู้กันไปสู้กันมาไม่ถอยมันก็สั่ง จากความง่วงเหงาได้จริงๆเนี่ยเราไม่ถอยนี่เอ้ามันจึงง่วงง่วงลงแต่เราไม่ง่วงอปฏิเสธมันเรื่อยไปอยู่นั้นพยายามตั้งสติควบคุมจิตให้มันได้อยู่ไม่ให้จิตมันอ่อนไปตามความง่วงอันนั้นสู้กันไปสู้กันมาหน่อยหนึ่งก็ชนะมันได้กายก็เบิกบานใจก็เบิกบานขึ้นมาแล้วแบบนี้นะความง่วงมันระ ง, งับไป นี่ถ้าว่าไปยอมแพ้มันเลื่อยไปแล้วก็ผู้นั้นก็จะต้องตกเป็นาทาตแห่งความว่วงอยู่อย่างนั้นแหละล่ําไปอืเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่ต้องการความสุขอันเป็นแก่นสารแล้วถ้าไม่มานั่งสมาธิภาวนาไม่มาฝึ ก, กจิตใจ ใ, ให้สงบระงับจากกิเลสบาปประรมต่างๆแล้วไม่มีทางหรอก จะได้พบกับความสุขอันเป็นแก่นสารนะใครจะไปหาไปยังไงยังไงก็สร้างนะไม่พบแล้วตัวนี้ถ้าตนได้รับความสุขชั่วคราวอย่างนี้มันก็ไม่พอใจอืก็เดือดร้อนใจในภายหลังนั่นแหละพอได้รับความสุขมาชั่วระยะหนึ่งไอ้ความสุขนะั้นหายไปความทุกข เกิดขึ้นมาเช่นนี้มันก็ไม่พอใจเลยนึกอยากมีความสุขนันเรื่อยไปไม่อยากมีความทุกข์จุดมุ่งหมายของดวงกิจดวงใจอันนี้มันก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่แล้วมีแต่อยากเฉยๆแบบนี้หากไม่ฝึกใจไม่มีอุบายแยบคายสอนใจฝึกใจตัวเองตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนาไว้นั้นอย่างนี้ มันก็ไม่ได้พบความสงบแล้วให้พากันเข้าใจจะไปยินเดียอะไรนักหนาะความสุขชั่วคราวเราเราได้สัมผัสกับมันมาหลายชาตินี้เช่นสุขในการนอนอย่างนี้เกิดมาชาติไหนก็มานอ น, นแล้วก็ไม่เห็นว่ามันดีขึ้นไม่เห็นว่ามันมีสติปัญญาอะไรเพราะนอนมากมากนั่นนะ่ะ มีความสุขในการกินอย่างงี้นะก็กินอิ่มแล้วก็เป็นสุขไปสู่ระยะหนึ่งเท่านั้นเองเพอไฟธาตุมันย่อยไปแล้วอาหารมันย่อยไปจากกระเพาะแล้วอย่างนี้มันก็เกิดหิวขึ้นมาอีกแล้ว mm. แล้วมันจะมีความสุขย่างยืนบาตรตรงไหนนะที่ว่าสุขในการกินสุขในการนอน สุกเท่ากับช้างพับหูเท่ากับงูแลบลิ้นเท่านั้นเองสุกในผัวในเมียโมนี่นะมันก็สุกชั่วคราวทั้งนั้นแหละแต่คนที่ไม่พิจารณามันเฉยๆหรอกไปติดแต่รสของมันเท่านั้นหนึ่งนี้แต่รสของมันอร่อยจริงนะไหมเวลารับประทานนะอขั้นภายหลังมามันเกิดขมขื่นขึ้นมา อย่างนี้นะคนพูดติดรสอร่อยแห่งกรรมคุณยินดีร้ายความสุขชั่วคราวนั่นนะชอบกันนักหนาแล้ววันนี้เมื่อเวลามันแสดงฤทธเดชออกมาแล้ววันนี้เราไม่ชอบแล้ววันนี้นนะไม่ชอบเลยไม่ชอบก็จำเป็นต้องได้สเสวยผลของมันเพราะทนสร้างเหตุไว้แล้วนี้ จะไม่ให้มันได้รับผลอย่างนั้นเจ็บมีที่ไหนล่ะในโลกนี้มันเป็นอย่างนั้นเรื้งมันนะนี่ถ้าพูดโดยรวมๆแล้วก็หมายความว่าความทุกข์เหล่านี้แหละมันเป็นเครื่องหนุนให้คนเรานั้นนะทำความดีให้สูงขึ้นไปสำหรับผู้มีปัญญานะ ผู้ได้คบหาสมาคมกับนักปราชญ์เช่นนี้แล้วธรรมดานักปราชญ์ผู้รู้ผู้ฉลาดทั้งหลายนี่ใครมาคบหาสมาคมเพื่อนก็จะพยายามแนะนําชักจูงให้ทําความดีให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆจะไม่แนะนําให้ทําความดีแต่เพียงขั้นต้นอยู่เท่านั้นออนั่นแหละ เมื่อผูใ้ใดได้คบหาสมาคงกำนักปราศในพระพุทธศาสนานี้เพื่อนก็ได้ทำบุญกุศลทำความดีให้สูงขึ้นไปยกตัวอย่างเช่นแต่ครั้งพระพุทธเจ้าเนะ่เห็นนางวิสาขาอนาถาบินดีกะมหาเศรษฐีเป็นต้นและคนอื่นๆ เ, เยอะแยะแหละที่ได้มานับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมประสง เอาเป็นที่พึ่งเจริ ล, ลึกเข้าใกล้เข้าชิดสนิทส น, นมอุปถัมภ์บำรงเช่นนี้แล้วก็ได้รับธรรมคำสั่งสอนจากพระพุทธเจ้าหลายเรื่องหลายในก็ทำให้ท่านเหล่านั้นมีความรู้ความฉลาดในการบำเพ็ญบุญกุศลให้ยิ่งขึ้นไปไม่หยุดหย่อนเลยจน ท่านเหล่านั้นก็ได้บรรลุปฐมมรรคตั้งแต่ได้พบพระพุทธเจ้าครั้งแรกนุ่นทั้งสองท่านนี่แหละเช่นนางวิสาขานี่ได้พบพระพุทธเจ้าตั้งแต่อายุได้เจ็ดขวบคราวนั้นเพื่อนมีบริวารทั้งห้าร้อยนุ่นปู่ของนางวิสาขานี่ก็ใช้ให้นางวิสาขากับบริวาร ได้ดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เมืองสาเกตแต่คราวนั้นน่ะปู่หรือว่าบิดามารดานางวิสาขานี่สร้างบ้านเรือนอยู่เมืองสาเกตพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดชาวเมืองสาเกตนางวิสาขากับบริวานก็ไปเฝ้าพระองค์แสดงธรรมให้ฟังจบลง นางวิสาขากับบริวารทั้งห้าร้อยก็ได้บรรลุโสดาปติพนอนาถาวินดีไปเมืองราชคือไปได้ทราบป่าพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกกับสาหายที่เป็นเศรษฐีเหมือนกันอยู่ในเมืองราชคือนั่นเ น, นเมื่อได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าจบลงอนาถาวินดีก็ได้บรรลุโสดาบันและจึงได้อาราธนาพระพุทธเจ้า มาโปรดชาวเมืองสาวถีอนัถาบินดีกลับจากราชคือมาก็มซื้อที่ดินเจ้าเชิดสร้างวัดขึ้นถวายพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ห้องนั้นแล้วก็บำเพ็ญบุญกุศลไปจนตลอดหมดอายุสังขารพระพุทธเจ้ากระทรงพระยากรว่าท่านทั้งสองนี่เป็นเอกพีชี คือจะได้กลับมาเกิดในโลกโลกนี้เพียงชาติเดียวเท่านั้นแล้วก็จะหลับขันเข้าสูพา่พระนิพพานไปเพราะพระโสดาบันนี้มีอยู่สามประเภทประเภทหนึ่งเรียกว่าสัตตคัตุปรมะผู้มีอันจะต้องเกิดอีกเจ็ดชาติประเภทที่สองได้แก่ โกรังโกระผู้ที่เกิดอีกเพียงแค่สามชาติประเภทที่สามได้แก่เอกับพีชีผู้ได้เกิดในโลกเพียงชาติเดียวแล้วก็ดับขันเข้าสู่ผลิพานไปนั่นแหละนางวิสาขากับอาณาถาบินดีนี่อยู่ในประเภทนี้แหละประเภทเอกับพีชีเพราะว่าเพื่อนได้ทาบุญมาก มีศรัทธาแรงกล้าสม่ำเสมอจนตลอดชีวิตนี่เพราะฉะนั้นจึงว่าเมื่อรวมความลงแล้วบุคคลจะไปสวรรค์บุคคลจะไปนิพพานได้นั่นก็เพราะสั่งสมบุญกุศลโดยแท้จริงเบงัน นอกจากบุญกุศลแล้วไม่มีอะไรที่จะส่งคนให้เราถึงซึ่งความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปจนตลอดถึงพระนิพพานกน็ย อ, อย่างที่พระพุทธเจ้านันเนยเพราะองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกก็เพราะพระองค์สร้างบุญบา ร, รมีมาจนเต็มบริบูรณ์ถ้าบุญบา ร, รมียังไม่เต็มตราบได้แล้ว ก็ยังไม่ได้ตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าในเพิ่งถือเอาอันนี้นเป็นหลักเครื่องเตือนใจของพวกเราที่เป็นพุทธศาสนิกชนอย่าไปลืมหลักนี้บางคนก็เห็นว่าไม่จำเป็นต้องไปทำบุญให้ท่านภาวนาเอาลูกเดียวก็สำเร็จได้ ถ้ายังไปทาบุญทำทานอยู่มันก็เป็นอุปท า, านอยู่สิมันจะไปนิพพานได้ยังไงผู้เห็นอย่างนี้ก็มีนั่นแหละเห็นอย่างนั้นไม่ถูกต้องไม่ถูกจะไปถูกแลยไม่ถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้า พราะพระ เ, เจ้าสร้างบารมีมาต้องยกทานะบารมีขึ้นเป็นปฐมมาเลิกเลยลองคิดดูนั่นเนี้ถ้าบุคคลให้ทานไม่ได้แล้วจะปฏิบัติคุณธรรมอันสูงก็ไปกว่านั้นไม่ได้เลยอลองคิดดูนั่นแหละไอคนที่ไม่สามารถจะรักษาศีลไม่สามารถที่จะประพฤติรมต่างๆได้หมู่นั้นนะ ล้วนแต่คนไม่ได้ทำบุญให้ทานอะไรมีสมบัติมากม า, กายไก่กองมาก็ไม่ได้ให้ทานในบุคคลที่ควรให้แล้วก็เอาไปจ่ายสุรุยสุไลไปบำรุงบําเลกามคุณนู่นมีเงินทองมากม า, กายไก่กองอันนั้นนี่ลองลองพิจารณาดูอยูงว่าคนไม่มีจิตยินดีในการให้การบริจาคทาน แกบุคคลที่ควรให้เช่นท่านผู้มีศีลมีธรรมอันดีงามในพระพุทธศาสนานี้คันว่าให้บางคนก็ให้ทานเห็นแก่นหน้าให้ทานเพื่อการค้าก็มีมถ้าไปจัดงานทาบุญให้ทานก็เชิญแขกเรือมากินเลี้ยงกันข้าวัวข้าวายลง เลี้ยงกันเลี้ยงเล่ายาปลาปิ้งให้อิ่มน้ำสันลันพอนลำขับล่องสวนเสเฮ ห, หาไปเพื่อผูกมิตรกับคนหมู่มากขอให้คนหมู่มากได้เห็นว่าตนนั่นเป็นคนกว่วงขวา ง, างเมื่อตนทำการค้าขายอะไรคนเหล่านั้นก็จะไปอุดหนุนตนนี่การให้ทานแบบนั้นน่ะ พระพุทธเจ้าไม่ได้สรรเสริญเลยเพราะมันแทรกไปด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานทานเพื่อหวังผลตอบแทนในปัจจุบันนี้ไม่ใช่ให้ทานเพื่อให้ความโลภความตนีมันเบาบางไปหมดไปสิ้นไปอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนาสั่งสอนอมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจ แล้วปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่ให้พึ่งตั้งใจลงว่ามุ่งเพื่อที่จะให้ความโลภความโกรธความหลงมานะทิฐิอิจฉาพยาบาทกิเลส ช, ชาติต่างๆโมนีให้น้อยเบาบางไปหมดไปสิ้นไปด้วยการตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามข้อวัดปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนําสั่งสอน ดังที่ที่แจงแสดงให้ฟังมาโดยลำดับนั่นแหละมันถึงจะเป็นทางพ้นทุกพ้นภัยในวัะสงสารได้ดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้